จิตใจถ้ากระจออกนอกเนี่ยไม่มีกำลังที่จะเกิดมกรกลจิตต้องตั้งมั่นพอแต่หลายคนคิดว่าการที่จิตไปตั้งแช่ในอารมณ์เนเป็นสมาธิไม่ใช่นะการ น, นัตตาแยกออกใช่ไหมเกือบทั้งหมดเลยที่ชอบเข้าไปแช่ยิ่งพวกที่บอกว่าไม่เอาสมถาอยากทำให้ปรสนาอย่างเดียวนะเอาจิตไปแช่ไว้ในอารมณ์ทั้งนั้นนะเมันสักว่ารู้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 อาจารย์คะตรงนี้ขออนุญาตย้ายําอีกนิดนึงอะค่ะว่าตรงกระบวนการที่เราตามรู้ระลึกลงไปอย่างนี้แหละเป็นกระบวนการของอนะขั้นของจิตตะิษ ข, ขาอะไรนะการกระบวนการของการตามรู้ระลึกรู้ไปอย่างนี้ค่ะ<ช>ก็เป็นการเข้าสู่กระบวนการของจิตตะศิษ ข, ขาใช่เพียงกระทั่งจิตเนี่ยมันเกิดความรู้ตื่นขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมะาพร้อมที่จะเจริญปัญญาพอจิตมันพร้อมจเจริญปัญญามันก็ขึ้นปัญญาศิก ข, ขาสิ